เรื่องการคลองผ้าสีผ้าท่านพระอาจารย์เล่าว่าการคลองผ้าแบบพาดบ่ า, บาข้างเดียวและมีผ้ารัดอกนั้นเป็นพระราชบัญญัติชั่วคราวตราขึ้นก่อนกรุงศรีอยุธยาจะแตกประมาณร้อยปีสาเหตุมีสงครามติดพันรบ ก, กันบ่อยครั้งกับทหารพมา่าพวกจรกรกรรมพม่า แต่งตัวเป็นพระเข้ามาสือระาชการลับรบกราวใดแพ้ทุกทีผิดสังเกตพระพระมา่มามักเข้ามาในกองทัพไทยคิดว่าเป็นพระไทยจึงรบแพ้ตึงตราพระราชบัญญัติขึ้นมาให้พระไทยห่มย่างว่านั้นพระพระมา่าที่เข้ามาก็คือจารบุรุษนั่นเองไม่ใช่พระเมื่อศึกสงครามเลิกแล้วก็ยกเลิกพระราชบัญญัติ ด, ด้วย แต่สมัยนั้นการคมนาคมไม่สะดวกคำสั่งไม่ทั่วถึงจึงถือกันมาจนบัดนี้เรื่องสีผ้านั้นท่านพระอาจารย์เล่าว่าสีผ้านั้นพระวินัยกล่าวไว้อย่างชัดเจนคือสีกรักสีเหลืองมนสีเหลืองคล้ำและสีอุนาโลมอีกสองสีคือสีเหลืองแก่และสีมะเขือสุกแก่ท่านว่า ก่อนเราจะเสียกรุงให้พม่าประมาณร้อยปีการรบราค้าฟันดูจะรุนแรงยิ่งขึ้นซึ่งเราจะสังเกตได้จากพระพักของพระพุทธรูปมีพระลักษณะเคร่งขรึมเข้มแข็งเอียงเอียงไปทางดุร้ายซึ่งหมายถึงใจเตรียมพร้อมรับศึกอยู่ตลอดเวลาหากเกิดมีการรบกัน